ตอนนี้ก็ศึกษาในพุทธคุณเราคือคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยทีนี้ในการศึกษาพุทธคุณในคุณของพระผู้ทธมีภาคเจ้าเนี่ยสิ่งที่จะต้องทําความเข้าใจอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตอนนี้เราลําดับเกี่ยวในเรื่องความเป็นไปของในเรื่องของคําว่าสังสารวัฏเนอะอือลำดับความเป็นไปตรงนี้แหละทีนี้ลําดับแห่งความเป็นไปของสังสารวัฏเนี่ยดูที่ไหน พระพุทธเจ้านั้นมีความหมายว่าเป็นผู้ตั้สรู้อริยสัจจะทั้งหลายนะในพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรกล่าวไว้ว่าพระพุทธคุณกล่าวคือคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้านี่ยพระคุณของพระองค์นั้นน่ะพึ่งมีในสังสารวัดนั้นนะอันไม่มีเบื้องต้นและไม่มีเบื้องปลายเพราะเหตุเลยพระพุทธเจ้าและคุณของท่านมีอยู่ในการทั้งปวงก็หมายความว่าพระพุทธเจ้านั้นสร้างบารมีมาทั้งในอดีต ปัจจุบันและที่จะสร้างไปในอนาคตฉะนั้นการคิดถึงอดีตเราสามารถคิดเห็นคุณของพุทธเจ้าได้คิดถึงอนาคตก็สามารถเห็นคุณของพุทธเจ้าได้แม้คิดเป็นไปอยู่ในปัจจุบันก็จะเห็นคุณของพุทธเจ้าได้เพราะไม่มีการไหนเลยนะทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตเนี่ยที่พระบรมศาสดาจักไม่ทรงสร้างบารมีสิบอุปปารมีสิบและปรมาภิบาลมีสิบเขาเรียกว่าเห็นคุณของพุทธเจ้านั่นในการทั้งปวง ทีนี้ถ้ามาดูอีกอย่างหนึ่งก็คือบอกว่าในคำสอนที่เราศึกษากันมาเมื่อวันก่อนที่บอกว่าความที่ขันธาตุอายตนะเป็นไปโดยลำดับไม่ขาดสายท่านเรียกว่าสังสารวัตรใช่ั้ยทีนี้ <c oughs> ในขันธสันดานของพระโพธิสัตว์ถ้าพ่าโดยรูป ก็คือรูปยี่สิบแปดพอบางครั้งก็เกิดเป็นหญิงเกิดเป็นชายรวมเป็นสิ่คือรูปยี่บปดนี่นะที่เกิดสืบต่อกันมาและขันทศัศน์ญาณคือจิตและเจตสิกอีกห้าสิบสามจิตหนึ่งเจตสิกห้าสองเห็ น, นยังเราจะเห็นรูปยี่สิบแปดจิตหนึ่งแล้วก็เจตสิกอีกห้าสิบสองย่อมมีอยู่ นั้นในขันธาตุอายตนะของพระโพธิสัตว์ของพระมาหาบุรุษของเราท่านทั้งหลายเนี่ยนะความเป็นไปของขันธ์ความเป็นไปของธาตุความเป็นไปของอายตนะเนี่ยเป็นไปตามลําดับไม่ขาดสายเรียกว่าสังสาระนั้นสังสาระของพระโพธิสัตว์ของพุทธเจ้าเนี่ยที่สืบเนื่องกันมาแต่ละองค์แต่ละองค์แต่ล ะ, ะองค์นี่นะเบื้องต้นนะ เบื้องต้นแต่ก่อนก็คือหาเบื้องต้นและที่สุดไม่ได้อันบุคคลตามรู้ไม่ได้จะอยู่ต่อมาเน้น่ะขัน ข, นขันนั้นได้ปารบความเป็นพระพุทธเจ้าเขาเรียกปาราโพธิญาณขันห้าคือนามขันสี่นั้นปารบโพธิญาณตั้งอยู่บนรู ป, ปรขันนั่นแหละได้ปารบโพธิญาณขึ้นมาก็เลยบอกว่า สัตว์อะไรก็แล้วแต่นะไม่ว่าสัตว์จะอะไรที่จะยิ่งจะหย่อนไปกว่านี้ย่อมไม่มีแต่ว่าโดยภูมิและดุกคนนะสัตว์นถึงแม้มีความยิ่งความหย่อนในบางคราวแต่ก็ย่อมมีการย่อมมีอีกนะั่นแหละที่บอกว่ามีการสืบต่อเหตุยังไม่หายไปขันทศดานของพระเจ้าก็เหมือนกันนะก่อนเป็นพระโพธิสัตว์ก่อนการตัทารขันของพระองค์ก็สืบต่ อ, อ ย, ายาวนาน มาในสังสารวัตรอันไม่มีเบื้องต้นในขันทศนดานอย่างนี้ท่านใช้ววหารว่าสัตว์แล้วว่าโดยบุคคลใช่ไหมเพื่อสะดวกในการเรียกขันสัตว์ที่ถึงการเรียกขันอย่างนี้ยังไม่พยายามยังไม่ตั้งปณิธานเพื่อโพธิญาณตราบใดก็ยังเรียกขันของบุคคล น, นั้นว่าสัตว์อยู่ตราบนั้นแต่ถ้าขันของท่านผู้ใดนะี่ยเพียนพยายาม ตั้งปณิธานเพื่อโพธิญาณจะตั้งแบบไหนจะตั้งสัมมาสัมโพธิญาณปัจเจกับโพธิญาณหรือสาวกับโพธิญาณเนีผู้นั้นถ้าตั้งเป็นโพธิญาณนีคือสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยจึงจะชื่อว่าพระโพธิสัตว์ผู้นั้นได้โพธิญาณในการใดชื่อว่าพระพุทธเจ้าในการนั้น ฉะนั้นรูปยี่สิบแปดพระมหาบรุษมีรูปยี่สิบแปดที่เกิดขึ้นสืบต่อกันมาขันทันดานคือจิตเจตสิกห้าสิบสามย่อมมีอยู่จนถึงอนุปาทาปินิพานนั้นน่ะใช่ไหมนั่นแหละคือการสืบต่อคือการสืบต่อถ้าใครยังไม่ตั้งโพธิญาณไว้ในใจก็ถึงการนับว้เป็นสักว์ ถ้ากระแสขันนั้นเกิดฮึกเหิมเพี้ยนไปยาวขึ้นมาไ ม, ใ ม, ไมไ่ใช่คำว่าฮึกเหิมไม่ได้ใช้คําว่ามีสัท ธ, ธาวิรยรสติสมาธิปัญญาเกิดขึ้นในกำมลในขันธ์สันดานของท่านบุญนั้นอันนี้ไม่ได้พูดเรื่องสัตว์บุคคลนะพูดเรื่องกระแสของรูปนามขันห้าของา ธ, อธาตุอายุชรที่กําลังหมุนไปตามสังสารวัฏเนี่ยถ้าเกิดมีสัท ธ, ธาวิรยรสติสมาธิปัญญาขึ้นมาปารโพธิอย่างใดอย่างหนึ่งถึงการนับว่าเป็นโพธิสัตว์ เป็นหรื อ, อยังใครปร่ารบการตัดสร้หรื อ, อยังโพธิยางหมายถึงพรุทธเจ้าเนอะโพธิเนี่ยมีจริงอะคำว่าโพธิเนี่ยมีสัมมาสัมโพธิปัจเจกโพธิและสาวกับโพธินะน ทีนี้ในบรรดากระแสะขันทั้งหลายเนี่ยนะกระแสะของขันธาติญาณะทั้งหลายที่สืบต่อหมุนเวียนไปโดยไม่ขาดสายเนี่ยเขาเรียกสังสารวัตรทีนี้ขันที่มีการสืบต่อไปในสังสารวัตนั้นเรียกว่าสัตว์เรียกว่าบุคคลเขาจึางเรียกว่าสัตว์ใช่ไหมเออเนี่ยเขาเรียกเป็นสัตว์จะเป็นสัตว์ประเภทไหนก็ว่ากันไปเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นหลังต่างถ้ายังไม่ถึงการเห็นการตั้งปณิธาน เพื่อการตัดสู้โพธิญาณก็ไม่ได้โพธิสัตว์เห็นไหมว่าสังสารวัตเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าจริงๆเพราะมีสังสารวัตรจึงมีโพธิญาณถ้าไม่มีสังสารวัตรโพธิญาณก็ไม่มีใครเราจะคิดออกจากสั้งสารวัตรคือโพธิญาณจิตที่ปรารถนาโพธิญาณ น, นั่นแหละคือจิตที่คิดออกจากสังสารวัตร จิตที่จะทำอนุปาธาบริิพานในอนาคตแล้วจะเขียนยังไงสังสารวัฏจะเขียนยังไงเ ร, เริ่มจกประเด็นได้หรือยังเริ่มได้นะฉะ น, น, น, นั้นถึงบอกว่า ท่านภาษารๅบดจึงบอกว่าพระพุทธเจ้านี้ไม่ใช่พระชนนีตั้งไม่ใช่พระชนกตั้งไม่ใช่พระญาติแปดหมืนตระกูลทรงตั้งคำว่าพระพุทธเจ้านี้เป็นวิโมกขันติกนามนะเป็นสัจจิกาบัญญัติของพระผู้มีภาคเจ้าทั้งหลายเกิดขึ้นพร้อมกับการได้เฉพาะซึ่งสัมพันยุตยานที่โคนต้นโพอดีพึกเป็นต้นทีนี้ในพยานนี้เกิดขึ้นในการไม่นานหรือมีอยู่ก่อนแล้วต่อว่าอันพยานนี้มีอยู่ในสังสารวัฏอันหาเบื้องต้นมิได้ ทำอะไรอะไรที่ไม่ตามาในการเกิดขึ้นสืบต่อย่อมไม่มีถึงอย่างนั้นนะพยานก็ยังไม่บริสุทธิ์เพราะอนุสัยกิเลสทั้งหลายยังนอนเนื่องอยู่เป็นเวลาถึงขนาดนี้เพราะพยานยังไม่บริสุทธิ์เพราะโพสต์จึงไม่สามารถกระทำสิ่งที่พึงรู้ได้ไม่มีส่วนเหลือให้แจมแจ้งเพราะจึงยังไม่เป็นพระพุทธเจ้าบัดนี้นะในปัจจุบันชาตินี้ พระโพธิสัตว์ประทับนั่งนโคนต้นโเพเผากิเลสทั้งปวงพร้อมทั้งวาสนาและนุัยให้ใหไหมจนไม่เหลือแล้วกระทำญาณให้บริสุทธิ์หมดจดกระทำพยาณให้สามารถรู้สิ่งที่พึงรู้ทั้งสิ้นแสงสว่างสวัยเป็นหนึ่งเดียวเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้าพระุทธเจ้ารู้สังสารวัตใช่ไหม ทีนี้ถ้าถามบอกว่าในการที่พระเจ้าเนี่ยที่พระโพธิสัตว์ทรงเป็นพทธเจ้าอย่างนี้ขันธสันดานเป็นพระเจ้าหรือพยานเป็นพทธเจ้าอะไรเป็นอะไรเป็นคุณอะไรเป็นผู้มีคุณอะไรเป็นลักษณะอะไรเป็นเครื่องกำหนดพยานมีลักษณะแทงตลอดสภาวะตามความเป็นจริง อีกอย่างหนึ่งมีลักษณะแทงตลอดอย่างไม่ผิดพลาดดุดการแทงทะลุทะลวงของลูกศรที่นักแม่นธนูยิงออกไปมีหน้าที่ส่องขอบเขตดุดดวงประทีบโดยปรากฏด้วยความไม่หลงดุดคนนําทางไปในป่ามีสมาธิเป็นประธฐฐานดุดแก้วมณีตรำค่าและดุดทองคําที่เป่าดีแล้วด้วยประการดังกล่าวเนี้ยนั้นพยานทีระโทษ พร้อมทั้งวาสนาบริสุทธิ์หมดจดดีแล้วความสามารถแทงตลอดสิ่งที่พึงรู้ได้อันไม่มีส่วนเหลือตามความเป็นจริงเนี่ยชื่อว่าลักษณะพยานที่กําหนดได้ลักษณะชื่อว่าเครื่องกําหนดลักษณะก็คือคุณเครื่องกําหนดก็คือผู้มีคุณผู้มีคุณชื่อว่าพระพุทธเจ้าพระคุณคือพระพุทธเจ้าคือคุณของพุทธเจ้าด้วยประการอย่างนี้ถามอีกว่าด้วยคําอธิบายที่ท่านกล่าวว่าพยานเป็นวั่ยากใช่ไหม ความบริสุทธิ์ของพระองค์เป็นคุณของพระเจ้าไม่พึงเข้าใจอย่างนั้นเหมือนเมื่อพูดว่าพระราชาสเสด็จเนี่ยก็เป็นการผู้กองทัพและยานพานาทั้งปวงก็มาด้วยชั้นใดฉันนั้นเหมือนกันถ้าพูดถึงความบริสุทธิ์แห่งพยานบัณฑิตย่อมรู้ได้ว่าอารมปรขันทั้งสี่กเวทนาขันสัญญาขันสังขารลขันวิญญาณขันที่สัมปยุทธกับพยานและรูปขัน ที่เป็นที่ตั้งของอรมณขันอาศัยเป็นไปกันอยู่สรุปคือขันห้านั่นเองก็ถูกทําให้บริสุทธิ์ด้วยเหมือนกันเมื่อพยานแล่นไปในสิ่งที่พึงรู้อันไม่มีส่วนเหลือเมื่อแม้อรูปรขันที่สัมยุญกับพยานก็แล่นไปด้วยไหมแล่นหรือไม่แล่นเพราะฉะนั้นการใช้วัวหารว่าพุทธเจ้าจึงใช้ได้ในความสืบต่อกันของรูปของนามของรูปของอารูปที่บริสุทธิ์แม้ทั้งสิ้น การใช้วัวหารว่าพระพุทธคุณจึงใช้ได้ในการที่ความสืบต่อนั้นบริสุทธิ์การที่กระจกเงาใสสะอาดเป็นเหตุให้เห็นรูปการที่จักยังส่องแสงสว่างจ้าเป็นเหตุให้ประกาศให้รู้ถึงน้ํามันและไส้เป็นต้นความที่จักสูบภาษาเป็นต้นเจียมใสได้นั้นเป็นเหตุให้รู้ว่าจักวิญญาณเป็นต้นะรู้แจ้งรูปอารมณ์ใช่ไหมชั้นใดภาวะที่จิตและเจตสิกเหล่านั้นมีญาณเป็นประธานไล้มุนทินบริสุทธิ์เป็นเหตุให้รู้แจ้งสิ่งที่พึงรู้อันไม่มีส่วนเหลือฉะนั้นด้วยประการเช่นนี้ แต่ถามว่าความบริสุทธิ์แห่งจิตนั้นอะไรสร้างขึ้นมาอรหัธรรมขยานสร้างขึ้นมาอรหธรรมขยานอะไรสร้างขึ้นมาวิปัสสนาญาณสร้างขึ้นมาอรหธรรมขยานอะไรสร้างขึ้นวิปัสสนาญาณวิปัสสนาญาณอะไรสร้างขึ้นสมาธิสมาธิอะไรสร้างขึ้นศีลเห็นไหม สีเลปฏิถ ايا าานาโลสปัญโยจิตตังปัญญัญจะภาวยังอาตาปีนิปโกภิกุโสถิมังวิาตาัตะเยชะตังใช่ไหมนี่คาถาแรกในชาตาสังยุตที่พระพุทธโฆษาจารย์เอามาเขียนวิสุทธิมักบอกว่าพโยคาวจรหรือโนโวชนใดนเป็นบุคคลผู้มีปัญญาเห็นภายในสังสารวัตดําลงมนันในศีลเจริญจิตและปัญญามีความเพียรมีปัญญาเครื่องบริหารตนอยู่พึ่งทางโลกชัดเป็นต้นได้ นี่พอจะสรุปได้เนาะนี่ยอามากล่าวซ้ำให้เกิดความเข้าใจย่อมติมพอมองเห็นเนะี่ยย่อมเจนตุลีพอมองเห็นเนะเห็นน ะ, ะนั่นแหละคือพระพุทธเจ้าเนาะทีนี้พอพระพุทธเจ้านี่เกี่ยวเนื่องกับสังสารวัตรฉะนั้นในสังสารวัตรเนี่ยขันของท่านทั้งหลายที่นั่งกันอยู่นี้คือตัวสังสารวัต ตอนนี้ขันของเราท่านทั้งหลายกําลังเดินอยู่นี่ส mm. ังสารวัตรกาลังเดินอยู่แล้วดังน enfin ั้นถ้าจะพูดเรื่องสังสารวัตรก็พูดในเรื่องอกขันธาตุยัญตนะของเราท่านทั้งหลายนี่แหละที่มันกําลังเคลื่อนกันอยู่นี่แหละนะแล้วจะออกยังไงจะออกเกตาสังสารวัตรยังไงจะออกเก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจยังไงจะออกจากรูปเวทนาสัญญาทั้งขานวิญญาณย่ังไงจะออกจากอาญตนะสิบสองยังไงจะออกเกธาตุสิบแปดยังไงจะออกยังไง นั่นแหละค้นทางในการที่จะออกจากสังสารวัตปฏิปทาที่จะให้ดําเนินไปสู่ไอออกการออกจากสังสารวัดใช่ไหมก็คือการจะต้องออกจากขันออกจากอายตนะถ้าออกจากธาตุออกจากสัจจะยังไงออกจากตาหูจมูกลิ้นไงใจยังไงท <laughs> ่งนบอกว่าถ้าสังสารวัตรเนี่ยต้องตีโจดสังสารวัตรให้แตกจริงๆใช่ไหม ถ้าโจทย์ของสังสารวัตมันแตกมันกระจายมันถูกเขี่ยกระจายแล้วถูกสรุปลงได้ชัดเจนแล้วนักเข้ามันจะพูดสังสารวัตแบบโล่งโปรงและเป็นอิสร ะ, ชะใช่ไหมเพราท่านพูดที่กําลังเขียนนั้นก็ใช้สังสารวัตนี่แหละเป็นตัวกําหนดเขียนน่ะใช่ไหมนัม่นกําลังเดินอยู่นี่แหละที่คนที่พูดที่จะเขียนเรื่องสังสารวัตร ขออย่างเดียวผู้เขียนสังสารวัตเชิญชวนให้คนออกจากสังสารวัตอย่ากลายเป็นผู้ที่ติดอยู่ในสังสารวัตรเเอง <laughs> เดี๋ยวคนทวงเอ้าเนี่ยที่ฉันจะออกจากสังสารวัตรจะก็บว่าะคุณเขียนนะถ้าไม่เราคิดถึงพระเจ้าทําไมคุณไม่ออกเลยดียคุณยังหลงอยู่เนี่ยเกิทำไม ทีนี้ประเด็นที่ได้ ก, กล่าวมาแล้วก็คือมีชาติเขตอนณาเขตแล้วก็วิสัยเขตใช่ไหมพอสรุปคําว่าชาติเขตได้หรือยังว่าไงชาติเขตหมายถึงอะไรสรุปชาติเขตได้ยังพุทธเขตของวุตธเจ้าชาติเขตอนณาเขตแล้วก็วิสัยเขตเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดมงคลจักรวาลหนึ่ง นี้เป็นเรือนประสูตรใช่ไหมหนึ่งหมืนจั ก, กรวาลถัดจากนั้นไปเป็นชาติเขตหนึ่งแสนโกดจั ก, กรวาลเป็นอาณาเขตจั ก, กรวาลอันหาที่สุดไม่ได้เป็นวิสัยเขตอันหาประมาณไม่ไเป็นวิสัยเขตสรุปตรงนี้ก็คือชาติเขตนั้นเอาหนึ่งหมื่นจั ก, กรวาลอนณาเขตเอ า, เ, อาเท่าไหร่ แสนโกจักรวารหนึ่งแสนโกจักรวานเป็นอาณาเขตจักราวารอันหาที่สุดไม่ได้หาประมาณไม่ได้นะั่นเป็นวิสัยเขตนี่เป็นพุทธเขตสามอย่างของพระพุทธเจ้า ทีนี้ถ้ามาพูดถึงในลักษณะอย่างนี้นะว่าก็มาดูในคําสอนของพระพุทธเจ้าตรงนี้เนาะสรุปในคําสอนตรงนี้จะได้ผ่านไปในเรื่องอื่นก็คือแสนโกจักรวาลเนี่ยหมื่นจักรวาลก็ว่าไปแล้วแสนโกจักรวาลเนี่ยย่อมพินาศและย่อมตั้งอยู่ด้วยดีพร้อมๆกันที่ท่านพลานาเรื่องสังวัตกับวิวัตกับวิวัต สังวัตกบกับสังวัตถายีกับวิวัตกับแล้วก็วิวัตถายีกับใช่ไหมคาว่าสังวัตกับเนี่ยอากาศเบื้องบนและเบื้องล่างมีความมืดทั่วกันหนามากดำรงอยู่ตราบใดนั้นชื่อว่าแด่วเออข้าไปก็คือการเกิดขึ้นเนะนับตั้งนะแต่การเกิดมหาเมฆก่อการวิบัต จนถึงอาทิตย์ปรากฏเกิดขึ้นแล้วก็เผาเป็นต้นเลยเนี้นะจนถ้าเผาแล้วจนไม่มีเหลือเ็าเรียกสังวัตถาหยีจนเหลือแต่อากาศวุ่นว้างเลยเนี่ยนในช่วงของสังวัตรกระับเนี่ยใช้เวลาหกสิบสีบ่อันตรกปับใช่หมกสี่ีอันตรกปับนะั้นนับจากการที่อายุเป็นอสงไขยปี แล้วก็ลงมาสิร้อยปีร้อยปีร้อย ป, ปีมาถึงสิบจากสิบเพืนแปสองขัยปีเนี่ยที่คํานวณไม่ได้เนี่ยนี่เป็นหนึ่งอันตรกรับหกสิบสี่คู่อันนี้เขาเรียกหกสิบสี่อันตรกรับหกสิบสี่อันตรกรับเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่โลกนั้นกําลังเสื่อมลงเสื่อมลงเรื่อยๆส่งลงเรื่อยๆหกสิบสี่อันตรกรับถ้าเสื่อมลงจนหมดแล้วแล้วก็เหลืออากาศเว่งว่างอีกหกสิบสี่อันตรกรับอันนี้เขาเรียกว่าสังวัตถ า, ายี สังวัดตักฐาเยื่าสงไขยต่อมาก็มีการเกิดก่อตัวขึ้นเขาเรียกวิวัตกับมันก็เริ่มจากมีการแผ่นดินเกิดขึ้นครั้งแรกไอการเกิดขึ้นของแผ่นดินครั้งแรกที่ปุ๊บครั้งแรกที่ตรงนั้นแหละเป็นที่ตัดสรู้ของพระเจ้าทุกๆพระองค์พระแท่นวชร ะ, ะอาจก็จะต้องตั้งอยู่ตรงนั้นเขาเรียกเป็นอนุแผ่นดินอันแรก แม้แผ่นดินที่ไม่มีใจเวลามันจะตั้งขึ้นมามันต้องตั้งบูชาเพื่อเป็นที่รองรับของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายที่สร้างบา ร, รมีมาในสังสารวัตอย่างยาวนานเพื่อมานั่งประทับตรงนั้นเพื่อจะตัดสรู้อนุตตรสัมมาสัมป و านแผ่นดินไม่มีใจยังคิดบูชาคุณของท่านแล้วเราอะนา ม, มาทำรูปประธรรมมีเนาะไม่คิดบ้างเลยที่จะน้อมบูชาท่านคิดไม ทีนี้พอมาพูดถึงในเรื่องของสังวัตรกรับกับสังวตถายีกรับใช่ไหมเวลาโลกจะถูกทําลายลงเนี่ยจะเว้นที่ไว้ตรงที่ประทับก็ทําลายส่วนอื่นไปเรื่อยๆใช่ไหมจนถึงสังวัตถายีที่จะทําลายหมดจนเหลือขนาดที่ที่นั่งนั่นแหละแม้จะทําลายไปตามกาลและเวลาของหลักกฎของไตรลักษ แม้แผ่นดินดินน้ำไฟลมก็ยังมีใจนอบน้อมขอเข้ามาเพราะมันต้องทำลายแม้เป็นสถานที่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็ขอทำลายเป็นชิ้นสุดท้ายเป็นอนูสุดท้ายเป็นเม็ดสุดท้ายแต่เมื่อทำลายแล้วเมื่อจะตั้งขึ้นแผ่นดินบอกว่าข้าพราะองค์จะนอบน้อมนี่ ดินน้ำไฟลมทั้งหลายเนี่ยนะไม่มีใจเลยแต่น้อมสักการะบูชาท่านแต่สัตว์โลกก็อ่านอัฏฐตรงนี้ไม่เห็นไม่เห็นคุณของแผ่นดินตรงนี้หรอกว่ามีประโยชน์มีค่าอย่างมหาศาลนะแค่ไหนที่ท่านน้อมบูชาทุกวันนี้ท่านก็น้อมบูชาพรธเจ้าอยู่เหลือแต่สัตว์ที่มืดบอดด้วยปัญญาจักสุเท่านั้นแหละที่ไม่ได้ไปบูชาไม่ได้คิดนอบน้อม สถานที่ตัสรููนุตระสัมมาสัมโพธิญาณของพระองค์แม้สังสารวัตรนี่นะอันยาวนานต่างๆเหล่าเนี้ยซึ่งเป็นไปในส่วนของรูปธรรมนั้นนะ่ะสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะ่ะกรรมทั้งหลายก็ยังหลีกไว้นี่มองถึงกรรมกรรมของทังหลายกรรมทั้งหลายที่จะทําให้โลกวิบัติบอกไว้แล้วไนงะโลภะโทสะโมหะเป็นต้นนะเป็นเหตุของความวิบัติถึงโลกอะโลภะอะโทสะโมหะเป็นเหตุถึงการเกิดขึ้นของโลก ฉะนั้นในกลุ่มของอาคุโสรธรรมทั้งหลายที่ทำลายโลกโลภะโทสะโมหะยังเกรงใจที่ประทับตัดสุลของพระเจ้างั้นกลุ่มสังขารลขันท์ทั้งหลายใช่ไหมเจตนากรรมทั้งหลายที่มีโลภะโทสะโมหะแวดล้อมอยู่เนี่ยเจตนากรรมเหล่านั้นยังไม่กล้าผลิตวิบากทําลายทันทีทัในใดเอรอเห็นนี่ยังสังสารวัฏที่ยาวนานขนาดนั้นอเข้าพระองค์ไม่กล้าทําลายหรอก ขอทำลายสื่ออื่นก่อนในทํานองอย่างนั้นเนี่ยแล้วมนุษย์ใจหินบางคนไม่กล้าทําลายที่ประทับเนี่ยลองคิดดูดิพวกนี้ไม่รู้คุณเลยเนะเขา เ, เกิดมาแล้วไม่รู้คุณก็เป็นดินไม่รู้คุณของที่ประทับของพระมหาบุรุษกรรมยังรู้จักกระลิกหรือยงแต่สัตว์ที่ถูกกรรมซัดอยู่นั้นเนี่ยตับมืดบอดไม่ทุกไม่รู้ว่าตรงนั้นที่มีคุณเนาะนี่แหละ หลายสิบปีที่แล้วที่เรามาไปเกาะตรงนั้นนะามามองไม่เห็นคุณเนี่ยคิดได้แต่ยมองไม่เห็นคุณใจมันได้แต่คิดศรัทธามันไม่เป็นไปกระจายเอาสิมันมันมืดขนาดนั้นนีใครจะมืดเท่าอาตมานี้เนี่ยมืดขนาดนั้น เ, นเกาะนี่นะเกาะพระแท่นเนี่ยวัชระอาสน์เนี่ยคิดคุณได้ไม่เยอะ คิดแล้วคิดอีกเดินไปเดินมาก็มาเกาะอยู่ตรงนั้นคิดไม่เป็นคิดได้นิดๆหน่อยๆแล้วคิดเราได้ตรงนี้คิดได้เต็มองไม่เห็นศรัทธามันไม่ไปด้วยทําไงมันไปนิดๆนิดๆนิดๆนิดๆเน่ยศรัทธนะามไม่เล่นนะ่ะใช่ไหมเหมัอนคิดถึงใครก็ได้จะเมตตาไม่ไปเงี้ยคิดถึงใครก็ได้แต่รุนแไม่ไปคิดถึงใครก็ได้เมิตาไปไม่เป็นเงีนะ้ยคิดถึงสังสารวัฏเห็นคุณของพระเจ้าไหมอพอจะอ่านก็จะรู้ แต่ศรัทธาไม่ไปอ่ะจะทํายังไงอ่ะอุปาทักกรรมนาซิการไม่มีกระตุน้นศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาไม่ได้ไม่เห็นคุณของพระเจ้าก็ต้องไม่เห็นโทษของสังสารวัฏนั่ก็อันเดียวกันใช่ไหมเพราะคนที่ทําให้ออกจากสังสารวัฏได้คือพุทธะคนไม่เห็นโทษของสังสารวัฏก็คือไม่เห็นคุณของพระเจ้า ก็คือไม่เห็นคุณของพระเจ้าไม่เข้าใจในคุณของเจ้าก็คือคนที่ขาดศรัทธาในพุทธคุณเมื่อศรัทธาในพุทธคุณไม่มีแล้วจะมีศรัทธาในการออกจากสังสารวัฏอย่างไรใช่ฐานะที่จะออกได้ไหมก็ออกไม่ได้กระทองเที่ยววนเวียนไปมาอยู่ใช่ ไ, ไมตรงนี้นี่แหละเขาบอกว่าสังวร์ตะกากหกสิบสี่ สังวัตทายี่หกสิบสี่อันนี้ทำลาหมดวิวัตทาวิวัตวิวัตะกลับอีกหกสิบสี่ในช่วงนี้เริ่มไหมเอบดินตถานที่เริ่มปั้นดินที่ตัดสรุก่อนอโลพะอโทสมัมโมหะเวลาจะสร้างโลกใบนี้ก็บอกว่าข้าพราะองค์เนี่ยจะสร้างแผ่นดินผืนนี้เป็นที่รองรับการตัดสรุกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตพระเจ้าค้า ที่โลภะโทสามหาได้ไปทํำลายไปแล้วน่าจะาตัวเราเนี่ยไปสร้างไว้ตรงนั้นเป็นที่รองรับที่ต่สรู้บ้างใช่ไหมที่บอกเป็นค่าเป็นค่าพระบาทเป็นทาตของพระเจ้าเนี่ยเอาสลีล่าเนี่ยไปทําเป็นที่ประทับดักบังไม่ได้หรือไงได้ไหมแต่ถ้านา ม, มาทำไม่ศรัทธาอยสลีล่าไป ไปไปบูชาพระพุทธเจ้าได้ยังไงใช่ไหมใช่ต้องอะไรต้องน้ำ ม, มาทำเนี่ยนอบน้อมตรงนั้นถึงจะเอารูปประทามทั้งหลายของเราเนี่ยปั้นเป็นดินเป็นที่รองรับการตัดสั่งหลวงพระพุทธเจ้าจะได้ได้บุญบ้างใช่ไหมให้พระหมหาบุรุษเดินนั่งที่ตรงนั้นเนี่ยพราะถูกไฟเผาไปหมดแล้วใช่ไหมถูกไฟถูกอะไรต่างๆเผาทำลายไปหมดแล้ว ขอเอาร่างกายและจิตใจนะบูชาท่านถวายท่าน ไ, ไหมมีเศษผมเศษอะไรเลกนิดนึงนะไปปันเป็นดินตรงนั้นนะพอเป็นฐานรองรับฝ่าพระบาทของพระเจ้ามันจะได้บุญจากการที่เป็นอุปนิสัยปัจจัยจากบาลมีของทีนั่นเนะมันจะได้มันมันจะได้คิดได้มากกว่าชาตินี้เนาะเออเห็นไหมเนี่ยพูดอย่างเงี้ยฉะนั้นมนีด้านของ พอหลังจากสังวิวัตรกระปแล้วก็วิวัตถาเยก็ บ, บริบูรณ์ในทุกวันนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นมาแต่ตอนนี้เริ่มลงในด้านของสังวัตรกระปอีกแล้วตอนเนี้โลกกําลังถูกทําลายลงเรื่อยๆอย่างนี้นะเออยอย่างๆนะเดี๋ยวต่อไปก็จะเร่มถูกทํำลายตอนนี้แค่ขาลงยังไม่ได้ถูกทําลายเนาะเดี๋ยวจะขึ้นไปใหม่นี่ขึ้นลงมาใหม่นี่แหละลงมาอีกรอบแหละตอนนี้มันขาลงอยู่ไหมแล้วจะขาขึ้นเดี๋ยวขาลงอีกรอบเนี่ยเราจะเจอพุทธเจ้าไปอีกครั้งนึง คน น, นี้บนนะแล้วเราจะหลงโลกไหมเนี่ยแสนโกดจารวาลเนี่ยเราจะหลงไหมหลงไม่หลงสังสารวัฏมันเยอะขนาดเนี้ยจะหลงไม่หลงเนี่ยถ้าถ้าเกี่ยวในเรื่องของชาติเขตใช่ไหมก็แคบลงหน่อยหมื่นใช่ไหมอนาเขตก็แสนวิสัยเขตก็โอ้โหหาประมาณไม่ได้ แล้วเราจะไปเกิดตรงไหนแล้วตั้งอัธยาศัยกันแน่นไหมเนี่ยเพราะความเป็นไปของขันท่าอธิยตนะนี่มันมันมันไม่หยุดน่ะแล้วเราเราบล็อกมันไม่ได้เราล็อกให้อยู่แค่ชมพูทวีบได้ไหมไม่ได้อีกมันก็เที่ยงดีทั้งนั้นน่ะถ้ามันมันเดินไปเรื่อยแล้วมีตัวกรรมหนุนเนื่องและกรรมที่มันสร้างไปพบอื่นมันก็มีเสแล้ว ไปจักรวาลอื่นมันก็เยอะแล้วเอาเลยสิตวนนี้นี่แหละ ง, งานนี้สังสารวัฏจะชัดกั ง, งานนี้เไหมตรงนี้ที่ว่านาเขตก็คือแสนโกดจักรวาลก็ย่อมพินาศตั้งอยู่ได้ดีพร้อมกันเป็นต้นเหล่านี้ถ้าในาพระบาลีจริงจริงนยะท่านใช้คำว่าติสาหสี